ความรู้ในโลกมีเยอะแยะความรู้ที่เป็นประโยชน์อย่างแท้จริงสําหรับเราเนี่มีไม่มากหรอกถ้าเรารู้นะว่าเราต้องรักษาศีลไว้รู้ว่าทํายังไงสติจะเกิดรู้ว่าทํายังไงสติที่เกิดแล้วเกิดบ่อยๆรู้ว่าทําไงจิตจะสงบรู้ว่าทําไงจิตจะตั้งมั่นจิตสงบจะมีแรงจะได้แรงจิตตั้งมั่นจะไว้เดินปัญญา รู้ว่าวิธีเดินปัญญาจะรู้รูปจะรู้ยังไงรู้นามจะรู้ยังไงนี่สิ่งเหล่านี้สําคัญถ้าเรารู้รูปนามถูกต้องรู้เป็นนะถ้ารู้ตามความเป็นจริงได้มันก็จะรู้ความจริงได้ถ้ารู้ไม่เป็นก็ไม่เห็นความจริงของรูปนามยังไปนั่งเพ่งรูปเพ่งนามนะบางคนพูดแต่เรื่องรูปนามเรื่องวิปัสสนาไม่เป็นวิปัสสนาเลย อย่างภาวนาไปดูท้องจิตไหลไปอยู่ที่ท้องยงไงก็ไม่เป็นวิปัสนาเดินจงกรมจิตไหลไปอยู่กับเท้ายังไงก็ไม่เป็นวิปัสนาถ้าจิตไหลไปสงบอยู่ในอารมณ์เดียวมันเรื่องของสมถกรรมฐานไม่ใช่เรื่องของวิปาาัสนากรรมฐานสมถกรรมฐานนจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งจิตอยู่เป็นหนึ่งนะอารมณ์เป็นหนึ่งมันรวมเข้าด้วยกัน ส่วนสมาธิที่ใช้เดินปัญญาทำมิปัสสนานจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นแสนเลยก็ได้อารมณ์เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงจิตเป็นหนึ่งก็คือทําตัวเป็นแค่คนดูแต่ไม่ใช่เป็นหนึ่งแบบแน่วนิ่งอยู่กับที่นะั้นตัวจิตผู้รู้จะไม่คงที่ถ้าไปทําจิตผู้รู้ให้คงที่ทําผิดอีกนะไปติดสมรราที่น่ากลัวที่สุดเลยคือไปเพ่งจิตถ้าเพ่งจิตเนี่ยเป็นสมรราที่ประณีตมาก ถ้าชนาญเวลาตายแล้วเราก็เพ่งจิตอยู่กันเราจะไปเป็นพรหมที่ไม่มีตาไม่มีหูไม่มีจมูกไม่มีลิ้นไม่มีกายมีแต่ใจอันเดียวแน่วอยู่ในรมอย่างนั้นนหะพระศีริยามตทศใจมาตรัสรู้ก็ไม่รู้ว่าเขาหรอกนะไม่รู้เรื่องถ้าเป็นพรหมมีร่างกายมีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายพรหมพวกนี้ยังมาฟังธรรมได้ มีในบทธรมนะธรมจักรธรรมจักกัวัตตนสูตรพอพระโกนทัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมพระพุทธเจ้าก็บอกว่ากวนทัญยะรู้แล้วหนอนั่นทะัญยะเห็นแล้วหนอนะพวกเทวดาลุคเทวดาฟังอยู่ด้วยได้ยินก็ตะโกนบอกกันไปพวกเทวดาที่อยู่แต่ละชั้นแต่ละชั้นนะก็ตะโกนบอกต่อๆกันไปนะ บรรลือโลกาธาตุเนี่ยสะเทือนเทวดาบอกต่อบอกขึ้นไปจนถึงพรหมโลกในตำราบางทีก็บอกว่าขณะที่แสดงธรรมจักเนี่ยเทวดาตั้งแสนโกรธโลกาธาตุมาฟังธรรมเทวดาผู้น้อยอยู่ห่างนะอยู่ไกลเทวดาผู้ใหญ่อยู่ใกล้บางทีตำรานี่ยขัดกันไปขัดกันมามีเหมือนกันก็ไม่เป็นไร สุดสำคัญหลักของการปฏิบัติในตารายังอยู่ใช้ได้ดีเลยทำไงจะทำให้จิตสงบในตำราสอนไว้ตั้ง40วิธีสอนไว้ละเอียดทำไงจะเจริญปัญญารู้กายรู้แบบไหนรู้เวทนาจะรู้ยังไงมีเงื่อนไขอะไรดูกายและเวทนาเนี่ย เหมาะกสมถายานิกเหมาะกคนเล่นฌานถ้าไม่ได้เล่นฌานนะไปดูกา ย, ยาไปดูท้องพองยุบนะไม่เคยทําฌานไปดูท้องพองยุบมันจะกลายเป็นเพ่งท้องเฉยๆขคือมีปั ส, สนาไม่ได้จะดูกายได้จิตต้องตั้งมั่นทชงฌานได้ดีที่สุดฌานที่หนึ่งยังไม่พอต้องฌานที่สองหนึ่งจะดีสองสามขึ้นไปนะเนี่ยเขาฌานที่สองเนะี่ยจิตไม่เคล้ากับอารมณ์ละ ละวิตกละวิจาร์วิตกเป็นการตรึกในอารมณ์วิจาร์เป็นเคล้าเคลียอยู่ในอารมณ์ยังจิตมยังไหลไปเคล้าอยู่กับอารมณ์อยู่แต่พอละวิตกวิจารณ์ขึ้นฌานที่สองเนี่ยจิตไม่เคล้าเคลียกับอารมณ์จิตดีดตัวออกมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยมีเอโกโอทิภาวะพระจิตได้เอโกโอทิภาวะแนละ้วออกจากสมาธิมาออกจากฌานมาตัวนี้ยังเด่นดวงอยู่อยู่ได้นาน ไม่เกินเจวันแต่อยู่ได้นานไม่เหมือนชณิกาสมาธินะแวบแวบแวบประดับนะพจิตเราเป็นผู้รู้ออกมาเนี่ยเห็นไปดูจิตนะมันจะนิ่งๆ่งไม่มีอะไรให้ดูต้องดูกายดูเวทนาในกายนะหรือดูเวทนาทางใจเช่นจิตที่ทรงฌานเนียเดี๋ยวมันก็สุขเดี๋ยวมันก็เวกขานะพลิกไปพลิกมาเนียแสดงใจรักไดนะ้หรือดูเวทนาทางกายก็ได้ ดูร่างกายก็ได้จิตเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่เห็นเลยร่างกายไม่ใช่ตัวเราแต่ดูจิตสังขารยากนะเพราะอารมณ์มละเอียดอารมณ์มันประณีตไม่มีของหยาบให้ดูเลยสงบมีความสุขสบายแน่วอยู่ยนั่นเองจิตเหมือนนจะเที่ยงนะงั้นเวลาจะดูกายนะทำสมาธิก่กอนแล้วเห็นกายมันทํางานเห็นเวทนาทํางานกายและเวทนาเลยเหมาะกับคนทําฌานนะเหมาะกับสมถยานิก การดูจิตและธรรมานุปัสสนาเนี่ยเหมาะกับวิปัสสนาญาณิกเดินปัญญาไปเลยนะสมาธิเกิดทีหลังแต่ก็ต้องอาศัยสมาธิเพียงแต่เป็นสมาธิระดับคณิกะสมาธิไม่ถึงฌานคณิกะสมาธิคือความตั้งมั่นชั่วขณะความตั้งมั่นชั่วขณะเป็นยังไงความตั้งมั่นชั่วขณะก็คือในภาวะ ที่จิตกําลังหลงไปไหลไปแล้วเรามีสติรู้ทันจิตที่ไหลไปโดยเฉพาะไหลไปคิดถ้าเรารู้ว่าจิตไหลไปคิดนะสติรู้ทันปั๊บเนี่ยการไหลไปจะขาดสะบั้นทันทีเลยแล้วความไหลไปความหลงไปคิดนะั้นเป็นความฟุ้งซ่านจิตมันฟุ้งซ่านทันทีที่สติระลึกรู้จิตที่ฟุ้งซ่านความฟุ้งซ่านดับอัตโนมัติก็จะเกิดจิตผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาใหม่ๆรู้ตัวแวบขึ้นมายังทําอะไรไม่เป็นนะมันจะหายไป วาหนีไปคิดอีกรู้อีกนี้ไปคิดอีกรู้อีกฝึกตัวนี้ให้ชํานาญเลยในสุดสมาธิที่เป็นคณิกะที่ว่าทีละขณะขณะเนี่ยจะเกิดถีขึ้นถี่ขึ้นเมื่อมันถีมากมากนั้มันเหมือนจะทรงตัวอยู่ได้ความจริงมันไม่ได้ทรงตัวมันเกิดดับอย่างรวดเร็วแต่มันเกิดดับต่อเนื่องกันแล้วมันเหมือนเดิมมันเป็นตัวรู้ตัวรู้ตัวรู้ทีละขณะนะมันเหมือนทรงตัวเด่นอยู่ได้มีช่วงเวลาที่ยาวขึ้นแล้วที่จะรู้สึกตัวได้เมื่อมันรู้สึกตัวได้อย่างนี้นะ ดูความเปลี่ยนแปลงของจิตไปเดี๋ยวก็เป็นจิตรู้เดี๋ยวก็เป็นจิตหลงเดี๋ยวก็เป็นจิตรู้เดี๋ยวเป็นจิตคิดเดี๋ยวเป็นจิตรู้เดี๋ยวเป็นจิตเพ่งเนี่ยจิตเปลี่ยนแปลงเกิดดับเพราะฉะนั้นจิตตาลุงปัสนาเนี่ยไม่ได้เหมาะกับพวกที่ทรงฌานมาก่อนนะถ้าทรงฌานมาก่อนเนี่ยมันจะไม่มีความเปลี่ยนแปลงของจิตให้ดูมันจะนิ่งๆอาศัยอย่างพวกเรานี่แหละก็อาศัยการดูจิตไป นะแต่ว่าเราต้องมาฝึกให้ได้จิตที่รู้สึกตัวก่อนจิตที่มีตัวรู้ทีลักขณะทีลักขณะแต่ฝึกบ่อยๆมิตริฝึกให้เกิดตัวรู้เป็นขณะขณะบ่อยๆนะก็คือทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งพุทโธก็ได้หายใจก็ได้ดูท้องพองยุบก็ได้ทําจังหวะก็ได้นะขยับมือทําจังหวะนะจังหวะอย่างหลวงพ่อเทียนเราไม่ชอบเราคิดจังหวะของเราเองก็ได้นะหลวงพ่อไม่ได้ ท, ำทำําะไรอย่างหลวงพ่อเทียน หลวงพ่อเป็นโทรสะจริตใจร้อนหลวงพ่อทําแค่นี้เองอากาศร้อนหลวงพ่อทํากรรมฐานอย่างนี้อร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกพัดไปแหมมันสบายใจมีความสุขขึ้นมารู้ว่าสบายใจพัดไปพัดมายแม่งวันใหม่แล้วโมโหแล้วโมโหแล้วรู้ทันใจที่โมโหเนตีขู่มันตีขูมันนะอย่าไปดโดนตัวมันบาป เดี๋ยววันหลังภาวนากรรมตามพันหลวงพ่อตันเด็กๆเคยโซนมีลวดสลิงอยู่อันนะเล็กๆแข่งเล่น่ะเห็นข้างขาวมาวินอยู่ใกล้ๆระเบียงบ้านทุกวันเลยมากินลูกตะขบก็พยายามตีข้างขาวนะก็แข่งแ่งนะไม่เคยถูกมันสักวันเลยอีกวันหนึ่งมันเห็นมันมาแต่ไกลนะรีบแข่งปรากฏว่ามันบินเร็วมากไงพอมันมานี่เราแข่งเนี่ยมันไปนุ่นละทุกทีเลย วันหนึ่งเห็นมันมาแต่ไกลนะักแกงเรื่งนี้นะมันเซอมาชนเข้าตกลงไปที่พื้นนะทำปีกอย่างนี้นะมันเจ็บอะใจนี่โอ้โหสลดมากเลยสงสารมากเลยอยากจะเข้าไปอุ้มมันกลัวมันกัดเรากระยับกระยับอย่างนี้นะสักพักหนึ่งก็บินหนีไปตอนหลวงพ่อมหัดภาวนานะยังไม่ได้บวชหรอกตอนนั้นยังหนุ่มๆนุมหนุ่มกว่าพวกเราตอนนี้ นะส่วนใหญ่หน้าตาชักเก่าๆแล้วพวกเรานั่งภาวนาอยู่วันนึงได้ยินเสียงเฟี้ยวเลยนะเฟี้ยวเลยมีความรู้สึกเหมือนถูกฟาดด้วยแซ่เคยเห็นหนังไหมใช่ใช่แส้หนังฝรั่งแะแต่นี่เป็นแซ่ลวดฟาดเฟี้ยวมาเลยนะวับเนืองแบบโอ้ยเข้าไปเต็มหลังเลยนะเจ็บใจนี่สัน่นลิกๆเลยจะขาดใจแล้วเห็นข้างขานะ ขยับอย่างนี้โอ้รู้เลยนี่วิบากนี่แค่เด็กเล่นนะมันยังไม่ยอมเลยนะนี่คิดบัญชีคืนเลยไม่ใช่ข้างข่าวมาแก้แค้นอกนะข้างข่าวเป็นเจ้ากรรมนายเวรไม่ใชนะ่ก็จิตของเราเองนี่แหละไปทำกรรมชั่ววิบากเนื้อสะสมไว้ต้องรับหนีไม่รอดเลยนะต้องรับงั้นเราไม่ทำนะความชั่วเล็กๆน้อยๆก็ไม่เอาพยายาม หัดดูจิตดูใจไปทุกวันทุกวันนะทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งพุทโธก็ได้หายใจก็ได้แล้วจิตหนีไปแลารู้ทันจิตหนีไปแลารู้ทันต่อไปเวลาจิตมันขยับตัวคลิกเดียวมันหนีคลิกเดียวนะมันจะเห็นเองจิตมันจะดีดตัวตั้งมั่นขึ้นมาถามว่าถ้าทำดูจิตแบบนี้จะได้อะไรดูจิตชนิดนี้จะได้สมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นนะงั้นดูจิตไม่ใช่มิปสนาเสมอไปนะ ดูจิตที่จิตไปเพ่งอยู่ที่จิตอันนี้เป็นสมาธิชนิดธทำสมถะนะไปตายไปก็ยังไปเป็ น, ป น, ปนอรูปประผถ้าดูจิตนะเห็นจิตมันไหลไปแล้วรู้ทันจิตไหลไปรู้ทันจะได้สมาธิชนิ ด, ท, นนดที่จิตตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูพอสมาธิจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูได้แล้วนะให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไปตามธรรมดาเวลาเราทําในรูปแบบ เราก็ทำกรรมฐานขึ้นอย่างหนึ่งแล้วจิตหนีไปรู้ทันจิตไปเพ่งรู้ทันฝึกตัวนี้ไว้เวลามาอยู่ในชีวิตจริงเมื่อตามองเห็นเมื่อหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสหรือใจคิดนึกขึ้นมาความรู้สึกแปลกปลอมใดๆเกิดที่จิตมันจะรู้ทันขึ้นมาเพราะจิตขยับตัวคลิกเราเคยเห็นจิตขยับตัวคลิกเคยเห็นโทษความโกรธไหวตัวขึ้นมาทาไมจะไม่เห็นหนะยาบกว่าไอ้จิตขยับตัวคลิกๆซะอีก นี่เราหัดดูด้วยนะหัดดูไปสําหรับคนที่ทําฌานไม่ได้นะมรรคผลนิพพานไม่ใช่ของผูกขาดสําหรับพวกเข้าฌานนะคนละเรื่องกันเลยเข้าฌานอย่างเดียวไม่เจริญวิปัสสน า, าก็ไม่ได้มรรคผลหรอกนะยั้นถ้าเราเข้าฌานไม่ได้ก็ไม่ต้องน้อยใจอาภับหรือเกินบางคนไปสอนกันบอกว่าต้องทําฌานให้ได้ก่อนถึงจะเจริญปัญญาได้สอนเกินพระพุทธเจ้าพระุเจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้นนะคิดเอาเอง ดังนั้นถ้าเราทําฌานไม่ได้นะเราทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วค่อยรู้ทันจิตที่ฟุง้งซ่านจิตที่เนี่ยไปคิดรู้บ่อยๆพอรู้บ่อยเนี่ยตัวรู้จะค่อยเด่นขึ้นเด่นขึ้นต่อไปพอเผลอตัวนิดเดียวตัวรู้ดีดขึ้นมาเลยพอเผลอปุ๊บนะรู้ทันตัวรู้ก็ดีดขึ้นมาเลยขึ้นมาเองเลยพอได้ตัวรู้แล้วก็ให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไปตามธรรมชาติธรรมดากระทบแล้วไม่ตรึงจิตให้นิ่งให้จิตเกิดความรู้สึกไปตามธรรมชาติธรรมดา เห็นคนนี้ก็เห็นคนนี้ไม่จําเป็นต้องเท่าเทียมกันในความรู้สึกเห็นคนนี้ชอบรู้ว่าชอบเห็นคนนี้เกลียดรู้ว่าเกลียดไม่ใช่เห็นทุกคนเสมอกันไอ้นั่นเป็นผลของการปฏิบัติเราไม่ใช่พระละหันพระละหันเนี่ยใครก็เหมือนเหมือนกันหมดนะไม่ได้แตกต่างไม่ได้รู้สึกอะไรเห็นหมาเห็นคนก็เหมือนกันนะเห็นนางงามจักรวาลกับหมาขี้เลือนเท่าๆกันนะไม่ได้รู้สึกต่างกันแต่ของเราอย่างต่างเราไม่ห้ามมัน เห็นอย่างนี้ชอบเห็นอย่างนี้เกลียดเห็นอย่างนี้รักนะเห็นอย่างนี้กลัวอะไรเนี้ยรู้ทันไปด้วยรู้เพื่ออะไรเพื่อจะเห็นว่าทุกอย่างเป็นของชั่วคราวจิตที่รักก็ชั่วคราวจิตที่เกลียดก็ชั่วคราวจิตที่กลัวจิตที่โลภโกรนหลงอะไรชั่วคราวหมดเลยสุดท้ายปัญญามันจะเกิดเห็นว่าทุกอย่างเป็นของชั่วคราวนั่นเราทํากรรมฐานนี่หัดดูไปง่ายๆแต่ขั้นแรกต้องคอยรู้ทันเวลาจิตหนีไปคิดสะก่อนฝึกตัวนี้ให้ชํานาญ ถ้าได้ตัวนี้แล้วนะจิตนีไปคิดรู้จิตหนี้ไปคิดรู้นะต่อไปถึงจะทาฌานก็ไม่ใช่เรื่องยากเกินวิสัยแล้วนะแล้วสมาธิมันจะค่อยดีขึ้นดีขึ้นต่อไปไปทำฌานไม่ใช่เรื่องใหญ่นะทําฌานง่ายด้วยซ้ําไปค่อยฝึกเอานะอ่ะใครมีอะไรจะถามแต่บอกซะ ก, ก่อนนะต้องถามเกี่ยวกับเรื่องปฏิบัติอ้าเชิญกราบนมันสการหลวงพ่อเจ้าค่ะ คือหลังจากที่หลวงพ่อแนะนําโยมเมื่อวันอังคารแล้วโยมอยากเรียนถามพระอาจารย์ว่าโยมได้ทําถูกต้องไหมเจ้าคะ่ะจิตเหมือนเดิมไหมตอนเนี้ยจิตจะตั้งมั่นขึ้นใช่จิตต้องตั้งมั่นนะถ้าจิตไม่ตั้งมั่นนะเดินปัญญาไม่ได้คไปดูท้องจิตเก็ไหลไปอยู่ที่ท้องไปดูเท้าจิตก็ไหลไปที่เท้าไปคิดอะไรจิตก็ไหลไปในความคิดหมดแต่ตรงที่จิตตั้งมั่นต้องตั้งพอดีตั้งแรงไปไม่ได้นะ วิธิทำไมมันถึงตั้งพอดีเพราะเราไม่ได้จงใจตั้งถ้าเราจงใจตั้งจะแข็งเกินไปแต่ถ้าจิตไหลไปคิดรู้ทันเนี่ยจะตั้งขึ้นพอดีพอดนะีถ้าจิตตั้งได้พอดีรู้สึกไหมโลกนี้อยู่ห่างๆออกไปก<ะ>นะายก็อยู่ส่วนกายจิตก็อยู่ส่วนจิตกิเลสก็อยู่ส่วนกิเลสแยกอย่างใจอยากพูดเนี่ยนะไวเวเพิ่มขึ้นมามันจะเห็นเลยใจอยากพูดผุดขึ้นมากลางหน้าอกเนี่ยนะมันอยู่ห่างๆความอยากพูดก็อยู่ห่างๆ ดีไปฝึกต่อค่ะสาธุเจ้าค่ะจากนี้ไปโยงก็ทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆจ้ังใช่ใช่าสาธุเจ้าค<ๆ>่ะอย่างนี้ดีแล้วนะดีอ่าต่อไปคือหนูตื่นเต้นนะคะแล้วมันก็แน่นๆแต่เมื่อกี้พอไมไปมันก็โลง่งเอองั้นส่งได้ <c oughs> แน่นขึ้มารู้ทันใช่ไหมโล่งขึ้มารู้ทันเห็นไหมจิตมันเป็นเองเนี่ยไปดูนะต่อไปเราจะรู้ทันในความรู้สึกที่เปลี่ยนอยู่ในอกเราเนี่ย มันเป็นเองเมื่อตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ความรู้สึกมันเปลี่ยนบางทีก็เกิดกุศลบางทีก็เกิดอกุศลก็เกิดขึ้นกลางอกนี่เองอาจามหาบัวสอนนะทำแท้เกิดขึ้นกลางอกอะไรที่เป็นทำแท้แท้บ้างนะอย่างกุศลก็เป็นทำแท้แท้อกุศลก็ทำแท้แท้มรรคผลก็เป็นทำแท้แท้นั่นเกิดขึ้นกลางอกนี้แหละนั่นเราคอยรู้ทันไหเห็นแต่ความเกิดดับเปลี่ยนแปลง ถ้าถ้ารู้ว่าเมื่อกี้แน่นตอนนี้คลายก็ดูเป็นแล้วอ่ะส่งไปี่หลวงพ่อให้กันบ้านเมื่อวันอังคารนะคะให้ไปดูจิตที่มันฟุ้งอะคะ่ะหนูก็กลับไปดู<ม>แล้วมันก็เห็นมันฟุงฟ้งฟุง้งฟุ้งแล้วก็บางทีก็ดบับบางทีก็ฟุ้งอะคะ่ะแล้วคร<ม>าวนี้พอมันฟุ้งมากๆจิตมันก็แบบดิน้นดินดินอยู่ข้างในอะคะ่ะ<ม>เ อ, อแล้วก็เหมือนแบบพยายามจะจะทําให้มันหายฟุ้งอะคะ่ะ<ม>แล้ว มันก็รู้สึกยิ่งทําก็ยิ่งเหนื่อยอะค่ะแล้วมันก็ยิ่งฟุ้งไปใหญ่เลยแล้วมันก็เลยเหมือนกับมันเหนื่อยมากอะค่ะแล้วก็ฟังซีดีหลวงพ่อไปด้วยอะค่ะแล้วก็ทําสมาธิไปด้วยแล้วพอมันเหนื่อยมากมันก็เลยหยุดทำมะค่ะแล้วมันก็รู้สึกว่าไอ้ตัวที่มันจะฟุ้งหรือมันจะหายอะค่ะมันก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้นอะค่ะเราไปบังคับมันไม่ได้อะค่ะ แล้วคนนี้มันก็รู้สึกโล่งขึ้นมาพอโล่งเสร็จสักพักหนึ่งมันก็เกิดอาการเบื่อขึ้นมาแทนเบื่อไม่รู้ว่าหนูจะดูอะไรแล้วมันก็เป็นลุ่งๆกปวงๆอยู่ข้างในแล้วมันก็เบื่อไงค่ะคราวนี้ก็เลยมาดูเบื่อแทนค่ะโล่งๆก็ไม่เที่ยงเห็นไหมค่ะไม่โล่งแล้วกลายเป็นเบื่อค่ะดูเบื่อไปเบื่อก็ดับเบื่อก็ไม่เที่ยงค่ะแล้วหนูก็ดูก็ดูเบื่อไปอะค่ะแล้วสักพักนึง เบื่อมันก็หายไปอีกแล้วมันก็เป็นแบบเกิดอาการมีความสุขอะค่ะแล้วจนความสุขก็ไม่เที่ยงค่ะแล้วก็แบบมันสุขจนไม่คิดว่ามันจะมีความสุขได้มากขนาดนี้มาก่อนนะคะแล้วคราวนี้มันก็สุขมันก็หายอีกแล้วมันก็ก็เป็นเบื่ออีกแล้วมันก็สุขอีกอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็สลับกันไปกันมาไม่ได้พอนาวสุขนะไม่ได้พอนาวสงบไม่ได้พอนาวดีแต่พอนาจนกระทั่งเห็นว่าทุกอย่างมันมาแล้วก็ไปต้องการแค่นี้แหละ แล้วไปดูนะสุขยิ่งวันนี้ยังมีอีกนะ <c oughs> อย่างนี้สุขเล็กน้อยค่ะแล้วคนนี้หนูก็ก็ดูที่มันเกิดดับเกิดดับจากอาการพวกนี้นะคะแล้วคนนี้ก็เลยมันก็เลยบอกตัวเองว่า อ, อ, อะไรมันแม่นคิดหรือเปล่าบางบางทีมันก็เป็นการคิดแต่บางทีมันก็เป็นการ ลูขึ้าใจมันสรุปเองได้นะใจสรุปเองก็ได้ถ้าเราไปสรุปให้มันเนี่ยคิดน้ำมันจะสรุปบางครั้งมันคิดสรุปเองบางครั้งมันก็แว็บขึ้นมาเองอะค่ะหลวงพ่อตัวทีใช้ดีดีนะคือแว็บขึ้นมาค่ะตรงที่เราไปคิดเราเนี่ยปัญญามันล้ํำแบบจิตป็นฟุ้งสั้นฟุ้งไปในธรรมะระวังตัวนี้นะค่ะแล้วคร้อนี้มันก็เหมือนกับแบบก็บอกว่าตนหนูไม่แน่ใจว่าตอนเนี้ที่ที่รู้สึกมันเกิดแบบ ที่บอกว่าให้ดูแล้วก็รู้เฉยๆยค่ะแล้วก็ถ้าเกิดมันไม่มีอะไรดูก็ให้ดูมลมหายใจมันมีแน่นอนนะจิตไม่เคยว่างจากอารมณ์จะ ต, ต้องมีอยู่ตลอดอะเ <okay. S 2> ช่นว่างว่างก็เป็นอารมณ์อั น, นึงไม่เที่ยงเหมือนกันใช่แต่ถ้าดูจิตไม่ออกก็ดูกายเห็นร่างกายหายใจก็ใช้ได้ <Okay. S 2> นะหลวงพ่อคะหนูอยากสอบถามว่าแล้วถ้ามัน มันไม่มีเราอย่างนี้แล้วอ่ะแล้วหนูไม่มีชั่วคราวหรอกเดี๋ยวก็มีอีกเแลวเมื่อไหร่้ามาอีกแล้วรู้อย่างพอมันไม่มีแล้วมันมันเบื่อมากอะค่ะหนูนี่น<ใ>นแหละหตอนเรา<ะ>เพิ่งเริ่มต้นนะเพราะเห็นตามความเป็นจริงจึงเบื่อหนายความจริงก็คือมันไม่มีเราตัวเราหายไปแล้วชีวิตเนี้ยที่ดิ้นรนมาแทบเป็นแทบตายก็เพราะมันมีเรา ก็เลยรู้สึกโอ้แห้งแรงเซ็งไปเลยหนูไม่รู้จะทำอะไรเลยอะคะ่ะทำสติยังไม่พอนะทำสมาธิจเจริญปัญญาตอบให้แล้วนะว่าหนูจะทำอะไรหนูไม่ทำสติสมาธิปัญญาอีกสติสมาธิปัญญา<ห>่ไปทำมากมากนะ ต, ตรงนี้เบื่อเนี่ยเป็นทางผ่านพอเรารู้ทันนะอย่าให้ความเบื่อครอบมำใจรู้ทันความเบื่อก็ดับ เราก็รู้สึกตัวต่อไปต่อไปมันจะรู้เลยว่าถึงมันน่าเบื่อแค่ไหนก็ต้องอยู่กับมันนะเพราะว่าอะไรที่น่าเบื่อกายนี้น่าเบื่อใจนี้น่าเบื่อถึงยังไงมันก็ต้องมีหนีไปอยู่บนภูเขามันก็ไปด้วยไหมหนีไปอยู่พรอมโลกมันก็ไปด้วยหนีไม่ได้เมื่อหนีไม่ได้ก็ต้องอยู่กับมันนะอยู่กับมันด้วยความเป็นกลางเหมือนบางคนแต่งงานแล้วนะเบื่อสามีมากเลยเห็นแต่ทุกข์ เนี่ยแต่งแล้วเห็นทุกข์รู้ว่านารกมีจริงแต่ไม่รู้จะหนีไปไหนต้องอยู่กับมันอยู่กับทั้งใจเป็นอุเบกขานะอยู่กับขันนี่แหละเห็นทุกข์ไปด้วยจนวันหนึ่งมันเป็นอุเบกขากับขันแล้วอย่างที่หนูทำทาอยู่นหนูทำถูกนะทำถูกนะเพียงแต่ว่าปัญญามันล้ำหน้าไปเป็นช็อตๆอต บ, บอะบต่อไปกับมาสักการณหลวงพ่อครับ ใจมันชอบเข้าไปคลุกนะแล้วมันก็เข้าไปเข้าไปกดมันมันก็จะมีแน่นแต่ว่าไอ้ความแน่นหรือว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในในใจเนี่ยมันก็ไม่คงที่ไม่คงที่ครับถ้าเราถ้ามันเกิดเข้าไปคลุกอย่างนี้แล้วเราเราดูมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างนี้อย่างงี้ได้ไหมได้เราไม่ได้ภาวนาเพื่อไม่ให้คลุกนะมันคลุกเรารู้ว่าคลุกมันแยกออกมารู้ว่าแยก ก็นี่เพาที่หัดทีแรกนะกับหลวงปู่ ด, ดุลน่ะฝึกจะให้แยกตลอดนะแล้วก็แยกตั้งเด่นอยู่ให้ได้ทั้งวันเลยหลวงปู่ทําผิดนเนะไปแทรกแซงมั น, มนผมผมลองเมื่อวานลองทําตรงกลางวันนะแล้วมันมันเหมือนกับเราตั้งชูค อ, อ, อ, อประมาณนั้นนะฮะไม่ดีนะค็นี้มันมันนอนไม่หลับนะเมื่อคืนแล้ววันนี้พอดีต้องต้องขับรถไก่กลับบ้านเนี่ยนะก็เลย เมื่อคืนทําังไงก็ไม่หลับก็เลยตัดสินใจว่านอนแล้วก็ดูคือผมแยกว่าให้ร่างกายมันพักผ่อนแล้วก็ให้จิตมันไม่คิดเพื่อเพื่อที่ว่าจิตมันจะได้พักผ่อนนะฮะแล้วก็ดูไปอย่างเงี้ยฮะร่างกายมันพักผ่อนด้วยกันนอนนะครับจิตมันพักผ่อนด้วยกันทําสมาธิถ้าเราพอนามากๆจิตไม่ได้ตกผวังหายไปมันไม่ยอมตกผวังสติมันแรงถ้าสติมันแรงอยู่เนี่ยก็ให้จิตมันพุทโธไปอะไรไปก็ได้ ส่วร่างกายก็ทิ้งให้มันนอนไปจะได้พั ก, พกเมื่อคืนผมลองใช้วิธีว่าฟังเสียงปุ๊บแมลงพวกอะไรอย่างเงีแล้วมันใจมันเลยสบายขึ้นแล้วอันนั้นอย่างนั้นก็หลับได้คือถ้าใจผ่อนคลายเดี๋ยวมันหลับแล้วมันมันก็จะเห็นความคิดโผล่ขึ้นมาเรื่อย ๆ, ๆอย่างเงี้นะฮะแล้วก็สักพักหนึ่งมันก็หลับแต่มันก็จะตื่นขึ้นมาอีกแล้วก็ทํามันอย่างเงี้อีกถ้าถ้าสมมติว่าเราใช้วิธีเนี่ยไปในการทํา สมาธิหรือว่าดูจิตในชีวิตในกองกลับอยู่บ้านนี่จะได้ไหม<ร>หที่กรุงเทพมันจะมีตัวอะไรร้องให้ฟัง <laughs> <laughs> อยู่นี่มันมีสัตว์มีอะไรเยอะแยะกลางคืนนกก็เยอ ะ, มะแมลงก็เยอะอันนงเงี้ยแล้วอย่างงี้เราจะมีอุบายเอยงครับหลวงพอเไปหาเ อ, าเองทําไมอยู่ที่นี่แล้วฟังแล้วมันหลับได้เพราะมันผ่อนคลายถ้าจิตมันผ่อนคลายมันก็พักได้เหมือนกันอนะ่ะจิตจะเข้าสมาธิต้องผ่อนคลาย ถ้าจิตเครียดไม่เข้าสมาธิเพราะเวลาสมมติว่าจะทำรูปแบบที่อะไรงเงี้ยมันเหมือนมันจะเข้าไปเข้าไปจ้องจะจะจับมันทุกครั้งเลยฮะให้รู้ทันว่าเข้าไปจับมันแล้วก็ทำไปแต่ว่ารู้ทันว่าเนี่ยจะตะครุบละรู้ทันไปครับเราเห็นที่เดินมาม่นี่ใช้ได้นะครับใช้ได้ก็หนูมีความรู้สึกว่า หนูพอที่จะเริ่มเข้าใจเข้าใจหลักการแล้วอะค่ะหลวงพ่ อ, อแล้วก็มันทําให้รู้ว่าตัวเองจิตยังไม่ค่อยตั้งมั่นเท่าไหร่นะคะก็เลยแต่อย่าไปจงใจให้ตั้งนะจงใจตั้งเราจะแข็งไปอ๋อค่ะก็พยายามที่จะทําสมถะเพิ่มขึ้นนะคะหลวงพ่อไม่แน่ใจว่าจะช่วยได้ไหมสมถะก็มีประโยชน์นะะแล้วทําให้พ่ะจิตจะได้มีกําลังค่ะจิตจะมีแรง ถ้จิตวกแวกวกแวกจิตไม่มีแรงแล้วก็ตอนที่ดูรูปนามอะค่ะหลวงพ่อมันมองยังไงมันก็ไม่เป็นใจรักค่ะแล้วก็ <c oughs> ก็เลยคิดนำได้ถูกต้อง <c oughs> ถ้าถ้าจิตมันไม่เดินปัญญาไม่ยอมดูใจรัก <c oughs> คิดนําถูกต้องท <c oughs> ี่หนูคิดว่าหนูเข้าใจถูกต้องเนี่ยหนูไม่แน่ใจว่าจริงๆแล้วเข้าใจถูกหรือเปล่าคะหลวงพอ <c oughs> ่อเห็นไหมกายกับจิตเป็นโคนละอนกัน เริ่มๆที่จะเห็นแล้วค่ะทําถูกแล้วล่ะค่อยไปดูแล้วขันมันค่อยแยกออกไปะแล้วแต่ละขันนั่นแหละถึงจะแสดงใจรักให้ดูได้กายก็อยู่ส่วนกายจิตก็อยู่ส่วนจิตสุขทุกข์ดีชั่วแยกออกไปเขาค่อยๆแยกไปทําต่อไปดีแบ้านี่ไงให้กันบ้านครับทําได้ตั้งนานนะกันบ้านข้อนี้ทํากันแลมปีกลับนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะไม่ได้ส่งกันบ้านมาเป็นปีแล้วเจ้าค่ะ หลวงพ่อค่ะที่แล้วบอกให้ลูกไปฉีไกาทีละส่วนละส่วนพอเริ่มฉีกไปเรื่อยๆก็จะเห็นแต่ความชั่วของตัวเองนะเจ้าค่ะเห็นนางมาลายเยอะมากหนูภาวนาดีขึ้นเยอะเลยนะครับขอว่าคุณเจ้าค่ะอือาจจะเพราะด้วยลูกปล่วยบ่อยมั้งเจ้าค่ะตั้งแต่ต้นปีอก็เลยจะค่อนข้างละกายได้มากขึ้นดีทําได้ถูกแล้วนะ อีกเรื่องหนึ่งคือเมื่อสองลูกมีคำถามสองเรื่องเจ้าค่ะเรื่องแรกก็คือว่าเมื่อสองวันก่อนที่ลูก เ, เดินจงกรมอยู่เจ้าค่ะมันเห็นสภาวะที่จิตมันตั้งมั่นแล้วมันค่อยๆแย่แย่ทีละส่วนละส่วน hmm. ลูกเห็นเหมือนที่หลวงพ่อเทศเมื่อเช้า ว, ว่ามันไม่มีอะไร hmm. แล้วมันก็จากไปด้วยมันไม่มีอะไรใช่มันเป็นเหมือนแก๊สบางๆ แต่ว่าใจเรายังไม่ชอบไม่ชอบมันใช่ไหม่ไม่ชอบให้รู้ทันใช่เจ้าค่ะอีกเรื่องหนึ่งคือเวลาที่ลูก เ, เดินจงกรมทุกวันทุกวันเนี่ยเจ้าค่ะลูกจะเห็นว่าจิตของลูกมันจะตั้งมั่นประมาณกี่สินาทีคราวนี้พอยี่สิบนาทีเนี่ยลูกสามารถที่จะไปพักก่อนแล้วกลับมาเดินใหม่ได้ไหมเจ้าค่ะได้ได้ไดใช่ไหมเจ้าค่ะแล้วทุกวันนี้มันเหมือนกับว่าไม่ว่าจะไปไหนก็แล้วแต่หรือว่าเวลาจะป่วยเน่ยเจ้าค่ะมันจะหยุด ไม่ได้ถ้ามันมันมันไม่ทำในรูปแบบไม่ได้ถ้ามันไม่ทำมันจะรู้สึกผิดแม้แต่เวลาที่อยู่โรงพยาบาลเลยอะอย่างเงี้ยมันจะได้ยินเสียงหลวงพ่อว่าให้ใช้ลูกประคำสึกตัวไปเรื่อยๆแค่ขยับนี้ก็ได้เจ้าค <c oughs> นะ่ะครูบาอาจารย์สอนมาอีกทีนะหลวงพ่อพุทธเหยสอนท่านบอกว่านักปฏิบัตินะตั้งใจแล้วต้องเด็ดเดี่ยวอย่างมีพระภาวนาอยู่เดินจงกรมท่านเดินิเนเท้าแตกเดินไม่ได้นะ ท่านคลานคลานจนหัวเข่าแตกมือแตกนะคลานก็ไม่ไหวนะลงไปนอนท่านนอนกระดิกไปกระดิกมาพลิกซ้ายพลิกขวาคนเขาคิดว่านอนทุรนทุรายจริงภาวนาหรืออย่างพระมีข้อวัดต้องรักษาเสนาสนะถ้าไม่รักษานะอาบัตินี่พระป่วยหนักพอถึงเวลาที่ท่านเคยกวาดกุฏิคราวนี้อย่าว่าแต่กวาดพื้นเลยนะลุกขึ้นมายังลุกไม่ได้เลยโนพระพุทธท่านบอกว่าท่านกําหนดจิตพระเนะี เอามือรูปฝุ่นข้างตัวนะกําหนดจิตแล้วได้ทําข้อวัดอยู่กวาดอยู่แล้วนะคือทําได้แค่เนี้ย mm hmm. ก็ทําเต็มที่ไม่ได้ไม่ทําไม่มียกเว้นเลยถ้าเราใจเราเด็ดเดียวอย่างนี้นะเวลาเราจะตายเวลาอะไรนะจะสู้ตายนะจะเข้มแข็งของหนูให้รู้ทันโทสะเข้าไปมันค่อนข้างรุนแรงด้วยกับช่วงเนี้ยเจ้าค่ะให้รู้ทันนะพอร่างกายมันเจ็บป่วยนะจิตไม่โกรธ นะหรือเราไปดูเห็นโน้นเห็นนี้นะในตัวเรามันก็โกรธขึ้นมาอีกนะไปดูดูไปความโกรธก็แยกออกได้นะเหมือนร่างกายแยกออกไปไดนะ้ผมคนเล็บฟันหนังแยกออกเป็นส่วนๆแขนขาแยกเป็นส่วนๆได้ความโกรธก็แยกออกไปได้ไม่ใช่จิตหรอกคนะขอบพระคุณเจ้คาค่ะคำนัำ้นมาสกการหลวงพ่อครับ วันนี้ตั้งใจจะมาอยู่วัด น, นะฮะแล้วก็เท่าที่ผ่านมาที่เคยทํามาทั้งในรูปแบบแล้วก็ทา ง, นงในชีวิต ป, <า>ประจำวันมาอยู่วัดวันเนี้ยรุ่งนี้หลวงพ่อก็ไม่อยู่แล้วก็ เ, เลยขออนุญาตสมกันบ้านก่อนเลยว่ามาที่ที่ทํามาเท่าที่ทําน้นรูปแบบกันในชีวิตประจำวันก็เห็นกิเลสบ้างพอสมควรนะฮะแต่รู้สึกว่าเวลานั่งสมาธิหรือเวลาวิ่งวิ่งจริงๆผมวิ่งสมาธิอะฮะจิตนี่ฟุ้งซ่านเยอะฟุ้งตลอดเลยฮะแต่บางทีกว่าเราจะรู้เนี่ยบางทีอาจจะฟุ้งไปสักสองสช็อตก่อนก่อนที่เจะตาม ยังไม่ค่อยไ ม, ไม่ค่อยทันในจังหวะแรกที่ไปไม่เป็นไรครับต่อไปมันชำนาญ น, นะมันฟุ้งนิดเดียวก็เห็นแล้วล่ะแล้วก็รู้ทันกิเลสตัวไหนเด่นเด่นนะคอยรู้ทันไปเรื่อยครู้ทันไปเรื่อยนะคุณครับใครง่วงบ้างนี่เสียงข้างมากอีกพวกหนึ่งง่วงแต่ยกมือไม่ไหวง่วงมากแล้ว <c oughs> นมัส ก, การครับหลวงพ่อมามาจริงๆวันนี้ผมพาเจ้านายคนสิงคโปร์มานะครับ<ม>ก็เขาก็มีความสนใจทางธรรมะมแล้วก็ที่ผ่านมาเพื่อสนทนาคำสอนของงพ่อกับเขาหลายเรื่องบางคำถามของเขาก็เช่นแล้ว Middle w เวในภาษาอังกฤษเนี่ย ม, มันมักจะคนาาอังกฤษมันก็จะมานึกถึงคอมพลีมไพรปฏินอมอะไรอย่างเงี้ยนะผมก็บอกว่าคงไม่ใช่อย่างนั้นในภาษาไทย<ม>ก็อธิบายเขาไปนะฮะ หรือว่าการปฏิบัติในชีวิตประจําวันเนี่ยเนื่องจากว่าชีวิตในประจําวันมันจะในงานอย่างเราเนี่ยมันก็จะคอนเนคกกับคนมากๆนะฮะเอ๊ะรัศพาพแวดล้อมตรงนี้จะเทียบกับสภาพแวดล้อมที่เป็นพระเนี่ยมันจะออปสิทธ์กันไหมมันจะปฏิบัติยังไงมันเหมือนกันนะ ค, คือเมื่อเป็นพระก็มีตาเป็นโยมก็มีตาใช่ไหมเป็นพระก็มีหูโยมก็มีหูอย่างเราแค่เห็นหน้าลูกค้าบางคนนะเราก็เกลียดแล้ว เห็นลูกค้าบางคนนะชอบแล้วให้คอยรู้ทันตัวเนี้เมื่อมีผัสสะมันก็รู้ทันไปจริงๆพระหรือคาราวะาก็มีผัสสะเท่ากันนั่นลก็ส่วนตัวผมในชีวิตประจำวันก็เวลาทำงานแล้วหลงสติไม่เกิดเลยไม่เป็นไรเวลาทำงานนะให้จดจ่ออยู่กับงานนะแต่ถ้าหลงไปจากงานอีกใช้ไม่ได้นะ ให้ ม, <laughs> ออมันไปจดจ่ออยู่กับงาน <laughs> มันจะหลงไปในงานเลยเหมือนไปอ <ละ S 1> ีกโลกหนึ่งเลยถูกต้องลแล้วแล้วในขณนะนั้นไม่ใช่เวลาปฏิบัติะจิตนั้นรู้อารมณ์ได้ครั้งละอย่างเดียวเมื่อมันไปรู้เรื่องงานแล้วมันจะมารู้กายรู้ใจอะไรรู้ไม่ได้แต่ว่าเมื่อรู้งานนะทําจดจ่อกับงานแล้วเกิดขี้เกียจแทรกเข้ามาตัวนี้ค่อยรู้เอาอหรือคนชมเราว่าเก่งอะไรเยใจเป็นพองก็รู้เอา มันก็คราวนี้มันก็สงสัยว่าเอ๊ะเราก็ภาวนามาบ้างพอสมควรอาจจะยังไม่ได้มีข้อทุกคืนสม่ำเสมอมากนะแต่เวลาอย่างคุยโทรศัพท์บางทีมันก็โมโหหรือประชุมกับเจ้านายแม้กระทั่งเจ้านายเนี่ยอยู่ข้างเนี่ยนะไม่เป็นไรเขาพูดไทยไม่ได้ใช่ไหมไม่เป็นไรก็เขาก็ถามเขาถามมาบางทีเราก็หงุดหงิดเลยแล้วเราก็เสียงดังเลยแต่เพราะว่าทางโทรศัพท์เขาไม่เห็นเราเราไม่รู้เขารู้หรือเปล่าแต่ถ้าเขาดูจิตชํานาญต่อไปเขาจะรู้ S <S <an> ใช่ใช่ใช่เขาเขาเข า, เขาชำนาญมากแล้วเขคอนโทรลตัวเองได้ดีมากมแต่ว่าผมก็ยังสงสัยว่า <S <S <an> <S เออผมก็ยังปล่อยตัวเองหลุดไป <S <S <an> <S ทั้งๆ ท, ท, ที่แล้วก็รู้ขึ้นมาแล้วก็มันก็มีความคิดตามใจกิเลสว่า อ, อปล่อยหลุดไปก่อนว่ามันระเบิดออกมาแล้วลอะไรด้วยคําพูดนี้ น, นี่เองไอ้ที่แล้วก็แล้วไปครับจะคอยรู้ทันบ่อยๆคราวนี้ก็ชักชวนเข้ามาก็เขาบอกว่าจะพยายามให้โอกาสเขาถ้ามีคํำถาม เป็นภาษาอังกฤษยังไงนะฮะเดี๋ยวอธิบายในโดยที่ตัวเขาเองภาวนาเนี่ยทุกคืนทุกคืนเขาทาโยคะทุกคืนชั่วโมงหนึ่งให้เขาทาไปแล้วให้คอยรู้สึกไปครับเห็นร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูะถ้าจิตแอบไปคิดก็รู้ทันครับฝึกแค่นี้พอร่างกายเคลื่อนไหวใจก็เป็นคนดูไปด้วยถ้าจิตแอบไปคิดก็รู้ทันสอนแค่2ประโยคนี้จิตไหลไปคิดก็รู้ทันพทสการครับหลวงพ่อครับ อยากจะถามหลวงพ่ว่าการปฏิบัติตอนนี้ผมเป็นไงบ้างครับเห็นกิเลสบ่อยไหมก็ทั้งว hey, ันนะครับโอ้เก่งเห็นกิเลสแล้วตามกิเลสไปไหมตามครับไห่ไม่ดีเห็นกิเลสเฉยๆอย่าตามไปเนาะครับผมแล้วอย่าไปเกลียกกิเลสด้วยกิเลสเกิดขึ้นนะให้เรารู้ทันเราไม่ต pues ok ่อต้านนะแล้วเราก็ไม่ตามมันไปคือไม่ไม่ไปยินดียินร้ายกับมันกิเลสเนี่ยเหมือนน้ากระแสน้ําอย่างแรงๆ เวลาน้ำมาแรงๆนะเราเอาอะไรไปกั้นนะมันชนทังหมดแเราปล่อยให้มันไหลไปใจเราเป็นแค่คนดูเห็นกิเลสมาแล้วก็ไปกิเลสมาแล้วไปเราอย่าไปขวางมันแต่เราอย่าลอยตามน้ำไปเท่านั้นแหละครับจะส่วนใหญ่ยัลอยตามน้ำอ่ะครับเออให้คอยรู้ทันนะครับผมเดี๋ยวไปหลุดออกไปปากอา่าวล้วขอกันบ้านด้วยครับนี่ไงคอยรู้ทันกิเลสไม่มครับผมไม่งั้นเดี๋ยวหลุดออกปากน้าไปครับขอบคุณครับ กรับนมัสการพระอาจารย์ครับ hmm. ก็ภาวนาวอย่ยากลำบากมาตลอด hmm. แต่ก็ตั้งใจว่าจะทำอย่างนี้ตลอดไปไม่ว่าจะกี่ชาติครับก oh, ต้องอย่างนั้นแต่ทำอย่างนี้ทำยังไงใจยังสองแง่สองทางอยู่ครับ hmm. ใจนึงก็อยากเดินไกลๆ hmm. แต่ใจนึงก็เห็นว่า เ, เราไม่มีกำลังขนาดนั้น hmm. มันยังไม่ตัดสินนะครับมันคงไม่เดินหรอก ครับส่วนมากพวกที่เดินนี่เดินหัวปลาหัวปั๊มนะถ้าอย่างหลังเลทั้งแต่จุดสตาร์ทเนี่ยไม่ค่อยไปหรอกไม่ต้องกังวลหรอกนะครับผมขอโอกาสถ้าเป็นปัญหาเรื่องชีวิตพอจะถามได้ไหมครับโอ้หลวงพ่อไม่ค่อยเก่งเรื่องนี้นะเป็นเรื่องเกี่ยวกับจิตใจนิดนึงเคยหรือว่ามาซิลองดูคือถ้าคนที่เพิ่งเลิกกับแฟนหรือว่าแยกกันเนี่ย <ừ> แล้วจิตใจเขาไปจมแช่ยอยู่กับความรู้สึกที่ว่า เป็นห่วงเขาคิด<ม>ถึงกับเขาว่าเขาจะอยู่ยังไงเขาจะลำบากไหมมันก็จะรับทับ้งรักทั้งแค้นบางทีสลับไปสลับมานะห้ามมันไม่ได้หรอกตัวที่จะช่วยได้คือเวลาเวลาใช่ไหมครับใช่เราคนข้างนอกก็ไม่สามารถไปทําอะไรได้มากคนข้างนอกยิ่งมายุ่งยิ่งปวดหัวโอเคครับมีแต่เรื่องคําแนะนําที่เราทําไม่ได้ทั้งนั้นแหละเ <laughs> <laughs> ช่นเช่นอย่าไปคิดถึงเขาพูดได้อะ <laughs> ไอ้พวกผู้หวังดีนะมันเพิ่มแรงกดดันนะดูมไปช่เวลาจะช่วยได้ครับผมบการนมัสการครับเรื่องแฟนนะยังพอตอบได้นะเรื่องลูกตอบไม่ได้ไม่เคยมีกราบนมัส ก, การหลวงพ่อครับคือวันนี้เป็นครั้งที่สองที่ผมได้มานมัส ก, การหลวงพ่อที่วัดนี้ครับ แล้วก็ในวันนี้คือเป็นวันที่ผมจะเดินทางกลับประเทศเดนมาร์กในค่าคืนนี้ครับ ừ ừ ừ ừ. ผมอยากจะขอคํอวยพรจากหลวงพ่อครับต้องการกำลังใจครับต้องการกาลังใจนะในโลกนี้มีแต่ความทุกข์นะเราต้องฝ่าฟันไปให้ได้อย่าท้อถอยพยายามฝึกสติไว้มันก็ไม่เหมือนคํอวยพร <laughs> อวยพรไม่ค่อยเป็นเนาะก็คืออวยพรให้ผมมีสติทาสิ่งใดต้องสติมาก่อนครับมันให้ไม่ได้คือของอย่างนี้ต้องทำเองนะให้กำลังใจเขาแล้วกันนะขอเชียร์ให้พยายามฝึกให้มีสติเยอะๆนะแต่มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยฮนะที่บอกแต่ผมก็พยายามกับจะไม่ย า, ย, ามยากนะไม่ยากหรอกคอยรู้ทันความรู้สึกของเราบ่อยๆนะ หัดรู้สึกความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นครยรู้ทันความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นรู้ทันต้องไปสติจะเร็วเองนะครับผมคืออย่างหลวงพ่อบอกว่าขอให้มีสติเยอะก็กลัหกอ่ะให้โชคดีโชคไม่มีในโลกมีแต่เรื่องของกดแห่งกรรมมันเหมือนหลอกหลอกอ่ะเนาะแต่ว่าการให้พรให้อะไรก็เป็นการให้กําลังใจนะให้อยากครับขอบคุณครับนะ ขยันนะขยันก็ไม่เหมือนให้พอีกขยันภาวนานมัสการหลวงพ่อครับก็ฟังซีดีหลวงพ่อมาประมาณสามปีแล้วครับเพิ่งมีโอกาสได้มาเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตไหมก็เห็นครับเห็นไหมกายกับจิตเป็นโคลานเห็นครับเหอเห็นไหมว่าความสุขทุกข์กับจิตก็โคลานเห็นครับเห็นไหมกิเลสกับจิตโคลานเห็นครับเห็นไหมจิตยังไม่ชอบความทุกข์ชอบแต่ความสุขอะไรเงี้ยเห็นไหม เห็นครับ เ, ออเป็นมากๆนให้รู้ทันเ อ, อกที่ฝึกอยู่ใช้ได้ฝึกถูกแล้วล่ะสิ่งที่ต้องควรระวังต่อไปก็คือความเป็นกลางของจิตนะเมื่อมันรู้สภาวะทั้งหลายแล้วเนี่ยต้อรู้ด้วยความเป็นกลางถ้ามันยินดีให้รู้ทันมันยินร้ายให้รู้ทั น, นที่ฝ<ช>ึกนะใช้ได้แล้วล่ะลงข้อจะมีคำถามอีกนิดนึงเรื่อง คือที่ปฏิจจสมุปบาทครับที่ว่าอวิชชาเป็นเหตุให้เกิดสังขารแล้วก็เป็นเหตุ ใ, ให้เกิดวิญญาณครับผมครับก็คือแล้วก็ที่หลวงพ่อเคยเทศเรื่องเจตสิก ค, ครับว่าเออเจตสิกเป็นสิ่งที่มาประกอบจิตคือสงสัยว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยจิตจิตที่มีโทสะมีโลภะมีโมหะประกอบเนี่ยจริงๆแล้วแต่ว่า ตัวโทสะโลภะโมหะเนี่ยมันเป็นสังขารใช่ไหมครับใช่ใชเพราะฉะนั้นคือจริงๆแล้วจิตที่ประกอบด้วยโทสะโลภะโมหะเนี่ยเหตุของจิตดวงนั้นน่นนะ ค, คือก็คือโทสะโลภะโมหะนั่นเองที่เป็นครับมที่เป็นปัจจัยให้เกิดจิตดวงนั้นใช่ปะครับคือมันเกิดร่วมกันนะโทสาก็มีเหตุของโทสะนะอย่างจะเกิดโทสะได้เนะี่ยมีปัจจัยหลายตัวเลยเช่นมีนิสัย ขี่โมโหอยู่ก่อนมีอนุสัยนะไปกระทบอารมณ์ที่ไม่พอใจไปตรึกในอารมณ์ที่ไม่พอใจเนีย่ยโทสะก็จะเกิดนะงั้นไม่มีใครบังคับจิตได้หรอกว่าห้ามมีโทสะถ้ามีเหตุโทสะก็เกิดถ้าเหตุ ด, ดับไปโทสะก็ดับไม่มีใครสั่งจิตให้โทสะดับไปได้ด้วยนะมันเกิดจากเหตุถ้าเหตุ ด, ดับมันก็ดับแล้วก็ที่ สัพเทธรรมานารังอพิณเว ส, สายะครับหลวงพ่อคือถ้าจะบรรลุธทำตัวนี้ได้ต้องเป็นพระอาหารหันต์ก่อนใช่ไหมครับใช่ใช่ต้องรู้นะว่าอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลความไม่ยึดอะไรไม่ยึดในสิ่งทั้งปวงเนี่ยเป็นผลของการปฏิบัติที่จเจริญตัญญาแก่รอบแล้วเห็นเลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างรวมทั้งตัวจิตซึ่งเที่ยวเป็นตัวไปยึดสิ่อื่นนะมีแต่ตัวทุกตัวจิตเองก็ไม่ใช่ของดีของพิเศษ กระทั่งจิตก็ไม่ยึดนะก็จะไม่ยึดสิ่งใดในโลกแล้วก็จะเกิดสภาวะที่ว่าสัพเพธรรมานารางอภินิเวศญาณทำทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรถือมัน่นมันไม่ถือเองแต่อยู่ๆไปท่องคาถานี้นะก็ถือมัน่นแหละถือคาถานี้ไว้เฉยๆครับก็สุดท้ายแล้วครับหลวงพ่อคือที่ว่าเอิทธิบาทเสียครับฉันทวิริยะจิตตวิมังษาตัววิมังษาเป็นส่วนหนึ่งของเป็นเป็นขั้นการเจริญปัญญาใช่ไหมครับ หมดเพราะคำถามนะครับหลวงพ่อของคุณรู้สภาวะเยอะๆนะอยากคิดเยอะนะเดี๋ยวปัญญามันล้ำไปดูของจริงให้มากเลยที่ฝึก อ, อยู่ก็ดีแล้วละ่ะว่ามากราบขอบคุณค่ะหนูไม่ได้อปัจจุบันนะคะหนูจิตไม่มีกาําลังคือไม่ไม่ไม่เคยมีกําลังได้จริงๆเลยเพราะหนูทํารูปแบบไม่เป็นนะคะอพอรู้สึกแล้วลึกขึ้นมาได้สักนิดหนึ่งอะ่ะจิตมันก็ ต้องมีการกระทำตลอดคือไม่ไม่ไปเพ่งก็เผลอไปเพลินนะคะอทีนี้หนูก็พยายามฝึกในรูปแบบมาหลายแบบแล้วจิตมันก็หลุดไปเพลินอยู่ดีไ ม, ไม่ไม่ว่ามันนะ <c oughs> ที่ฝึกอยู่มันก็ค่อยดีขึ้นแล้วละค่ะหลวงพ่อคะแล้วเวลาที่พอพอรู้สึกตัวขึ้นมาบ้างแล้วมันมีความสุขแล้วจิตมันจะเผลอเพลินกับอะไร ร, รอบๆตัวะคะ่ะถ้าหนูจะใช้แบบสิ่งที่มาเป็นอารมณ์ให้หนูมีความสุขนะัขณะนั้ น, นนะ่ะมามาระลึก ให้มันเกิดความตั้งมั่นได้ไหมคะยกตัวอย่างได้ไหมว่าคืออะไรเช่นต้นไม้ดอกไม้หรือใบไม้สวยๆหรือว่าหน้าคนที่ชอบหน้าสัตว์ที่ชอบแล้วได้ได้ก็ระลึกระลึกอยู่เรื่อยๆอย่นั้นจะได้สมาถะค่ะนะจะได้ความสงบของจิตเพราะไม่มีความสุขก็จะได้สมาธิเห็นมาหลวงพ่อคะแล้วโดยวิธีนี้จิตหนูจะตั้งมั่นขึ้นแล้วเอื้อต่อกันแลึกรู้สึกตัวได้ไหมเนี่ยมันสงบหน้าแต่มันออกนอกอ๋อ เราควรจะต้องฝึกอยู่กับลมหายใจหรือจงกรมกรรมฐานที่ดีเป็นกรรมฐานที่เนื่องด้วยกายด้วยใจของเราอันนั้นเอาไว้ใช้เวลามันฟุ้งมากๆนะะเวลามันเครียดจัดๆไปดูลิงดูช้างดูต้นไม้อะไรเงั้นให้สบายใจพอสบายใจแล้วจิตใจสบายรู้ว่าสบายนะเข้ามาอยู่ในกายในใจของเรานี้่ถ้างอย่างนั้นมันจะออกนอกมันเพลินไปเรื่อยๆ หลวงพ่อคะขออนุญาตคำถามสุดท้ายนะคะแล้วหนูทำโยคะด้วยอะค่ะพอหนูดูกายอะคะ<ม>่ะกายมันก็เป็นแบบภาพเล็กๆเล็กๆเล็กๆไปหมดเลยอะ<ม><ม>แล้วใจมันก็สนุกมันก็หลุดออกมาอย<ม>่างนี้ค่ะแล้วทำไมล่ะอย่างนี้แสดงว่าหนูก็ไม่สงบจริงใช่ไหมคะยังไม่สงบค่ะแต่ทำไปก่อนได้ไม่เป็นไรคะ่ะกลับกลับขอบคุณค่ะอ้าหมดละเชิญกลับบ้าน